มันจึงตั้งหน้าตั้งตาขยากินอยู่ด้วยอำนาจของความโลภนะกินแล้วก็ติดใจใหญ่เลยนะกัดใหญ่กินใหญ่กินเพลินจนมุดเลยเข้าไปภายในท้องช้างเพลินเลยอะ่ะอกกระช้างเนี่ยนะตัวมันใหญ่ใช่ไหมวันทวานหนักมันต้องใหญ่ด้วยใช่ไหมวันกินเพลินกินจนมุดเข้าไปในท้องช้างเลย เพอาะเวลาหิวก็กินเนื้อในทองช้างนั้นซึ่งอ่อนนุ่มข้างนอกแข็งจริงใช่ไหมแต่เนื้อข้างในมันยังนิ่มอยู่เวลากระหายก็ดื่มเลือดที่ยังไม่แห้งเวลานอนก็นอนทับไส้และปอดนิ่มดี <c oughs> แหมอย่างกระเตียงน้าเลยนะคราวนี้โอแสดงว่าอะไรอะ่ะมีพร้อมเลยจะกินก็มีน้ําก็มี ที่นอนก็มีเรียบร้อยอจะไปไหนใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจึงคิดว่าทั้งเนื้อทั้งน้ำและที่นอนมีเสร็จแล้วในที่นี้ทีเดียวข้าจะไปทำอะไรในที่แห่งอื่นอีกเล่ามันก็เลยสเบยเลยอยู่ในนั้นเลยละดังนั้นหมาจิ้งจอกจึงแสนรื่นรมอยู่ในท้องช้างนั้นแห่งเดียวไม่ออกไปข้างนอกเลย ก็แสดงว่าเพลินเลยละอยู่ในนั้นน่ะหลายวันละคราวนี้ครั้นไม่กี่วันต่อมาซากช้างก็เริ่มแข็งและแห้งด้วยลมและแดดช่องทวารหนักก็หดตัวปิดลงเอาละสิคราวนี้เพราะว่ามันตึงขึ้นใช่ไหมตึงขึ้นตึ ง, ตงขึ้นมันก็เลยอะไรอะ่ะแข็งตัวด้วยแล้วก็หดตัวด้วยเสร็จละคราวนี้ หมาจิ้งจอกนอนอยู่ภายในท้องช้างใช่ไหมคราวนี้ก็หาทางออกไม่ได้สิเริ่มเริ่มมีเนื้อและเลือดให้กินน้อยลงเพราะว่าเนื้อข้างในก็หมดไปเรื่อยเื่อยเลือดก็แห้งไปเรื่อยเื่อยนะนะช่องทวารหนักของช้ากเอไม่ใช่เนื้อมีเนื้อและเลือดให้กินน้อยลงที่สุดจึงมีร่างกายผ่ายผอมเอาละสิคราวนี้ชักไม่มีอะไรกินนะี เพราะว่ากินเนื้อเข้างในไปเสร็จขาอนี้ก็ต้องติดกระดูกกันใช่ไหมน้องก็ต้องมีกระดูกอีกก็เลยพร้อมเลยข้อนี้ชักไม่มีอะไรกินแล้วแล้วก็มองไม่เห็นทางออกจากท้องช้างได้เลยมันจะมีทางไหมเนี่ยมันน่าจะออกทางปากช้างได้ป่ะนะอะไรนะคอเหรอคอช้างเนี่ย คอช้างมันใหญ่จริงแต่ว่าที่จริงมันมีกระดูกมาถึงคอเห็นเคยเห็นศพคนเราไหมจะมีกระดูกเนี่ยตั้งแต่คอเนี่ยลงไปมันมีกระดูกอยู่ด้วยเลยคงออกมาไม่ได้มันมีเอ็นอีกใช่ไหมมีเอ็นมีอะไรต่ออะไรยึดอีกเหนียวมากๆก็หัวเขี้ยวไม่เข้าเหมือนกันนะเอาละรู้กันว่าไม่มีทางออกแล้วกัน เอา้าทางเก่าก็ปิดแล้วทวานหนักจินแสดงว่าอยู่ในนั้นหลายวันเลยล่ะ mm hmm. กระทั่งวันหนึ่งบังเกิดฝนตกใหญ่ทําให้ช่องทวานหนักของช้างชุ่มชื้นอ่อนตัวปลากดช่องให้เห็นอ่าโชคช่วยโชคช่วยนะ <c oughs> <c oughs> หมาจิ้งจอกพอเห็นช่องทางออกได้จึงคิดว่า ข้าลําบากมานานนักต้องหนีออกจากช่องนี้ให้ได้เพราะจริงนะรัฐวานหนักเนี่ยมันแบบว่ามันนิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็คงไม่ไม่อะไรไม่ไม่นิ่มเหมือนตอนเข้ามาแน่ๆแล้วใช่ไหมเพราะว่าอย่างไงมันก็นิ่มอย่างไงมันก็คงแข็งพอสมควรตอนนี้แต่ว่าเห็นทางออกแล้วว่าพอจะออกได้แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วพร้อมแล้วอ่ะ นะอยู่ในนั้นไม่โดนแดดไม่โดนอะไรเลยนะพอมหมกตัวอยู่ในท้องช้างนะั่นแหละแล้วพยายามสุดแรงดันออกทางช่องทวารหนักที่เล็กและแคบนั้นโดยเร็วกระทั่งขนตามตัวหลุดออกมากมายติดอยู่ที่ท่องช่องทวารหนักนะั้นก็คือโอโหพยายามเต็มที่เลยนะพอเห็นโอกาสที่จะลอดออกมาได้นี่มุดออกมาเต็มที่เลย ทั้งๆที่พ้อมลงไปแล้วนะแต่ยังไงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าช่องมันก็ยังแคบอยู่ยังเล็กอยู่เอ่ามพยายามดันพยายามออกมายังไงก็ปรากฏว่าโอ้โหเหมือนกับรูดออกมาเลยนะตัวเองก็พยายาม ร, ร, รูดรูดรูดรูดรูดออกมาขนเลยติดอยู่ที่ไอทวารหนักนี่ทั้งเยอะทั้งแยะมันจึงมีตัวโล้นเหมือนเจ้าตานหลุดออกมาได้ <c oughs> รู้จักเจ้าตานใช่ไหมอ่าขาวขาวขุนๆ่ใช่ไหม ยาวตาล น, นั่นแหละเออเหมือนถ้าเหมือนกีเลื่อนก็คือไม่มีขนแต่ น, นี่ไม่ใช่อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนอะไรโดนโดนโดนลอกหนังอย่างนั้นใช่ไหแต่นี่ไม่ใช่ลอกหนังนี่ลอกขนมันคิดว่าเหตุเพราะความขี้โลภข้าจึงต้องได้รับทุกข์อย่างนี้ฉะนั้นน่าจะฝึกข่มความโลภให้ได้หากทําไม่ได้ก็จะไม่ขอกินอีก แล้วไปสู่อาสมนั้นสมาทานอุโบสถเพื่อข่มความโลภเข็ดสัตว์พวกนี้เนี่แม่เจออย่างนี้เข้าเข็ดแต่บางทีพวกเรานี่บางคนไม่เข็ดนะบางทีกินนาะ ก, นะกินน่นอนกินนี่นี่ปวดท้องกันแล้วบางคนกินจนกระทั่งท้องเสียถ่ายท้องกันแล้วบางคนจริงกินจนกระทั่งกาบก็ไม่ลง เดินก็จะไม่ไหวก็แล้วก็ยังไม่เข็ดยังเอาอีกเดี๋ยวคราวหน้าเอาอีกแต่ดูนะนี่นี่สัตว์สี่ประเภทนี่โอ้โหเจอแค่ครั้งเดียวนี่เข็ดเลยนะตั้งจิตเลยว่าอุโบสถเลยรักษาอุโบสถอันนี้กล่าวถึงหมีออกจากป่าแล้วถูกความอยากถูกความอยากความโลภนั่นเองความอยากครอบงำ ต้องการหาของแปลกแปลกใหม่ๆกินจึงไปสู่บ้านชายแดนในแคว้นมัลละอ่านี่ประเภทประเภทอะไรนะอ่าน่นสิชอบของใหม่แหละอาตมาชอบพูดอยู่เรื่อยอะที่บางทีบางคนเนี่ยชอบนะักเขาว่าที่ไหนอร่อยที่ไหนมีอะไรอะไรอะเปิดพิสดาร หรือว่าอะไรเงี้ยแหมชอบหมอต้องไปลองหน่อยต้องไปกินหน่อยต้องไปดูไอ้นั่นหน่อยต้องไปไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยคือประเภทตื่นตาตื่นใจอยู่เรื่อยอะย่ะใงเอ้มันจะใช้ภาษายังไงนะคือมันเป็นกิเลส ต, ตัวอะไรตัวนะ ออยากรู้อยากลองอยากชิมบางทีไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปไปโอ้โหสว้าปามอะไรเต็มที่หรอกนะแต่แม้มันไม่ได้มันอดใจไม่ได้อะมันรู้ว่าไอโอตรงนั้นมีอย่างนั้นเหรอตรงนี่ยังมีตรงนี้มีอย่างยี่เหลอมันอดใจไม่ได้ต้องไปยังไงก็ต้องไปเพื่อที่จะต้องไปไปรู้ไปเห็นไปอไอได้ชิมได้กินอะไรกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีกิเลสตัวนี้อยู่ นะาแะกิเลตัวนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับหมีตัวนี้นะ้าก็เลยบอกแหมต้องไปไปกินที่แถวชายแดนเขตมันละซะหน่อยพวกชาวบ้านจะยินว่าหมีมาแล้วต่างก็กลัวนะแล้วก็เลยต่างถือธนูและพรองเป็นต้นพากันออกไปล้อมละเมาะที่หมีนั้นเข้าไปเมื่อมันถูกเมื่อมันรู้ว่าถูกฝูงชนล้อมไว จึงหาทางหลบหนีเมื่อมันกำลังหลบหนีอยู่นั่นเองฝูงชนพากันยิงด้วยธนูบ้างตีด้วยพรองบ้างาจึงหัวแตกเลือดไหลาอาบกลับหนีกลับไปที่อยู่ของตนแล้วได้คิดว่าทุกนี้เกิดเพราะอำนาจของความอยากได้รถแปลกๆใหม่ๆเกินไปฉะนั้นหากเราลดความอยากนี้ไว้ไมิได้แล้ว จะไม่ออกไปหากินอีกละแล้วก็ไปสู่อาสมนั้นสมาทานอุโบสถเพื่อข่มความอยากให้ได้สรุปแล้วเนี่ยสัตว์ทั้ง4อย่างนี้นี่สาเหตุดูนะมาจากเรื่องไปสแสวงหาอาหารกินทั้งนั้นแต่ก็กล้าที่สัตว์ตัดสินใจไม่กินถ้าลดกิเลสความลดกิเลสตัวราคะไม่ได้ลดกิเลสตัวโทสะไม่ได้นี่ ไม่กินนะดูความตั้งใจอาตานีสุดท้ายฝ่ายพระฤาษีเพราะมาจากสกุลพราหม์ซึ่งมักยกตนทำให้ตกไปในอำนาจของมานะไม่สามารถจะยังชาญให้บังเกิดได้คือบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าฤาษีที่มาจากพราหมมหาศาลใช่ไหมมาจากสกุลพราหมมหาศาล เพราะฉะนั้นก็เลยอะไรอ่ะมีอัตตามานะมา ณ, มาณนี่คือยึดความเป็นเจ้าเข่าเจ้าของถือดีแล้วก็ถือตัวอะไรพวกเนี้นี่คือฤทธิ์ของมานะนะเพราะฤาษีเนี่ยแม่มาบวชแล้วนะก็ยังมีตัวพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะยังชานให้เกิดชานนี่คืออะไร ความเพียรที่จะเผากิเลสเพราะมันก็เลยไม่สำเร็จสักทีเผากิเลสตัวมานะไม่ไม่สําเร็จสักทีวันหนึ่งขณะเมื่อกําลังอยู่ในบรรณาสานานั่นเองพระฤาษีได้เห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าเสด็จมานั่งเหนืออาสนะของตนแต่ด้วยความไม่รู้ว่าเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าจึงนึกขุ่นใจ เพราะความมีมานะยึดยึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอาสนะจึงปรีเข้าไปหาแล้วตบมือเนี่ยตบมือต่วาดว่าคือเนี่ยคือให้เห็นอัตามาณนะอัตามาณะนี่นะเรื่องอะไรเล็ๆกๆน้อยๆนี่นะเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าคนนั้นถือสาบางคนเนี่ยเรื่องเล็ก น, นิดเดียวแค่คำพูดนะอย่างเช่น คนนี้เกลียดมากเลยถ้าใครมาพูดคําว่าทุเล็ดกันมันจําไม่ได้แล้วเคยถามใครไหมรู้พรเกลียดจังเลยคําว่าทุเลศเนี่ยนะถ้าได้ยินคําว่ามาพูดว่าทุเล็อะไรอย่างเงี้นะเขารู้สึกถือสามากนะจริงๆนะแหมแค่แค่นี้มันจะไปอะไรนะมันไม่ไม่อะไรกันนักกันหนาหรอกแต่สําหรับคนที่ถือสาอยู่เนี่ยนะมีมานะในเรื่องนี้อยู่ แค่พูดแค่เนี้ยโอโหเอาไปเอาตายเลยโกรธกันเลยหรือว่าเพ้อเพ้อทะเลาะกันอย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะเนี่ยตัวมานะเนี่ยนะมันเป็นตัวที่เรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องเท่ากับก้านไม้ขีดของบางคนหรือว่าเท่ากับไม้จิ้มฟันของบางคนแต่เท่ากับท่อนซุงของบางคนอถ้ามีมานะขึ้นแล้วมันเรื่องเล็กแค่นี้แหละทะเลาะกันเลยละ่ะอยู่ร่วมวัดเดียวกันไม่ได้ นะอยู่ร่วมตึกเดียวกันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะตอนี่เหมือนกันนี่พลือนีนี่ขนาดเป็นพลืษีนะอยู่สุขสบายนะในบ้านสกุลล่ำรวยอุตสาห์มาออกบวชแล้วคิดดูทิ้งสมบัติทิ้งเครือญาติโอ้โหทิ้งได้มากขนาดไหนมาอยู่ให้มันลำบากแล้วประบัดปรับพืตตัวตั้งตัวอยู่บนความลำบากอยู่ไอใน ป่าและเมาะเนี่ยป่าอะไรที่ลื่นลมเนี่ยแต่เพียงแค่แหมมีคนเข้ามานั่งที่ของตัวเองหน่อยเท่านั้นเองแค่นี้ดูนั่นนี่แค่นี้เองเนะแต่มันยึบเป็นเจเ้าเจ้าของไอ้นี่ศาลานี่ฉันสร้างนะไอ้ที่นั่งนี่ฉันเป็นคนทํำนะยังไม่ฉันมาขออนุญาตฉันเลยนะเขียงเนี่ยฉันเป็นคนซื้อมานะเขียงนี้ใครจะเอาไปใช้ต้องขออนุญาตฉันก่อน เอาไปใช้โดยที่ไม่บอกก่อนได้ยังไงโอ้ยมันยึดนะ่าเป็นจะเข้าเจ้าของจังบางทีไม่แต่บางบางบา ง, บางแห่งเนี่ยดูเอาเหอะเสาเนี่ยฉันจองนะเพราะว่าฉัานนั่งเสานี่เป็นประจําเสานี่ฉันพิงอยู่ทุกวันโอ้นะก็เคยคุยสนุกสนุกอะ่ะอาตมาเคยบอกมาเขียนชื่อไว้สิว่าคุณจองแล้วเขียนชื่อไว้สิ มันจะอะไรขนาดนั้นนะแต่จริงๆเรื่องเล็กแค่นี้แหละแต่ถ้าอัตตามานะมันมีแล้วโอ้โหมาเอาไปเอาตายเกลียดเลยนะว่าโอ้โหคนนั้นมานั่งตรงที่ฉันเคยนั่งประจําได้ยังไงเนี่ยทั้งๆที่ที่นั้นน่ยจริงๆแล้วมันที่สาธารณะใครมานั่งก็ได้เฉียงแต่ว่าตัวเองเกิดไปนั่งบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ายึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยเพราะงานบางอย่างเนี่ยที่แม้แต่พวกเราเนี่ยเสียสละมาทํางานแล้วจริงๆเป็นงานเพื่อส่วนรวม นะเป็นงานเพื่อส่วนรวมนะเรามาทำเนี่ยเราก็ทำเพื่อส่วนรวมแต่พอมาทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ า, ขานะอย่างเช่นบางคนมาทำประจํโรงครัวไปประจําตึกขาว ป, ประจําห้องจักไปประจํโรงพิมพอา้าวไปประจําที่ไหนอีกทำมาโส่ชอมารอมั่งอะไรมั่งพอไปทำทำประจําเข้าประจําเข้านี่ของกู <c oughs> นะนี่ตำแหน่งของกูอา่านี่นี่แผนของกู อะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มยึดไปเองโดยปริยายเลยซึ่งถ้าอย่างนี้นะ่ะผิดพลาดแล้วโดนกิเลตกินไม่รู้ตัวแล้วเสศรษฐที่พอเริ่มยึดว่าเป็นของกูใช่ไหมเป็นตําแหน่งของกูเป็นพื้นที่ของกูปับ๊บคราวนี้เนะี่ยใครมาแตะเข้าหน่อยใครเข้ามาตําหนิเข้ามาว่าอะไรเข้าหน่อยในในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะหรือว่าอยู่เนี่ยเอาอย่างเช่นคนบอกโอ้โหเดี๋ยวนี้โลงครัวทําอาหารไม่เป็นสับปะรดเลยนะ กินก็นแทบไม่ลงดูที่เราทำก็ไม่รู้จักประหยัดเลยทําเหลือเบะบะทิ้งเยอะแยะโอ้โหขึ้นเลยนะถ้ามันยึดเป็นเจ้าเจ้าของเนี่ยมันจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นหรือว่าพูดง่ายๆว่าทนฟังคนอื่นเขาตําหนิทนฟังคนอื่นเขาว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นพอใครมาตําหนิใครมาว่าปั๊บขึ้นทันทีเถียงเขาหรือว่าด่าเขากลับ นะมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยโดยที่ไม่รู้ตัวว่านี่อัตามานะของตัวเองมันขึ้นแล้วมันยึดความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของวันใครมาติใครมาว่าไม่ได้เหมือนอย่างบางคนเอาสมมติมว่าช่วงนี้คาราวะบางคนอย่างเงี้ยเขากาลังหาเสียงกันอยู่ใช่ไหมตัวเองชอบพักไหนอย่างเงี้ยแหมไปฟังโอ้โหไปนั่งฟังพักที่ตัวเองชอบแหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หน่เชียร์ใหญ่แต่พอคนอื่นเขามาว่าพักที่ตัวเองชอบนั่นเองอะ่ะ เอาอะไรที่เถียงคอเป็นเอ็นเลยจะถล่มกับเขานะไอ้อย่างงี้อ่ะให้มันรู้นะจับให้ทันว่าเออนี่เรามันมันชักจะยึบเป็นตัวเป็นตนแล้วนะทั้งทั้งที่ ท, ที่จริงไปคีดตู่ไม่ใช่พักของตัวเองหรอกได้เพียงแต่ว่าเออเราชอบพักนี้เท่านั้นเองนะแต่แต่ว่ากิเลสคนเราเนี่ยมันชอบไปนี่พักของพักของชั้นนะ <c oughs> พักของชั้นชั้นชอบอะ่ะก็เป็นพักของชั้น แมทําอย่างกับตัวเองไปก่อล่างสร้างพักนั้นมาอย่างนั้นเนะีนะ่ยแล้วใครมาแตะต้องไม่ได้เลยนะให้เราระวังนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทะเลาะ ก, กับใครอเราคิดว่าพักไหนเขาดีก็ะจะไปลงคะแนนเสียงเลือกสอสพักไหนก็ไปเลือกนะแต่ไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กับใครเขานะให้รู้จักตามกิเลสเราให้มันทันนะให้เป็นอย่างนั้นอาตอนนี้พอพอ่อฤาษีนี่นะปรากฏว่า ไม่รู้นี่ว่าเป็นพระประเจกับพุทธเจ้ามานั่งที่ของตัวเองแต่ยึดบ้านเนี่ยที่ของฉันเพราะนั้นมานั่งโดยไม่บอกไม่กล่าวเลยอยู่ดีก็มานั่งแม่อย่างเงี้ยก็โกรธมามาณะขึ้นวันไปถึงตบมือเลยตวาดว่าเลยนะดูนะว่าอย่างไงชิบหายเถิดเจ้าถอยเจ้ากาลกานันนีเจ้าสมณะหัวโลน มานั่งเหนือแผ่นกระดานของข้าทําไมโอ้โหอาการหนักให้เห็นนะว่าอาตมาบอกแล้วมานะนี่มันรุนแรงพอมันขึ้นแล้วนี่โอ้โหมันออกมาเลยละเพราะมันคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องเอาชนะจะต้องเอาชนะเวลามาอาตมานะขึ้นต้องเอาชนะให้ได้ต้องเอาชนะให้ได้ เ, ไดเพราะมีเหตุผลมีคําพูดมีอะไรเท่าไหร่นี่ใส่เลยตูมตูมเหมือนกับบางทีเนี่ยภาคการเมืองเขาหาเสียงกันตอนเนี่ย โอ้โหถล่มกันยับเลยไอ้เนี่ยทั้งรุ่นกระดาษทั้งนี้ทั้งนี้กระดาษทาั้งโน้นอะไรนะเพราะว่าบอกแล้วว่าพรักของกูทั้งนั้นเลยนะพักของกูทั้งนั้นเพื่อที่จะของข้าต้องดีที่สุดนะของเองมันแย่อะไรเงี้ยก็ด่ากันไปด่ากันมาทาั้งที่จริงๆอิงแต่และพรกก็มีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นแหละใครจะดีมากใครจะเสียมากก็แล้วแต่แต่ทุกพรกก็จะต้องมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสีย เหมือนกันเนี่ยฤศีนี่ก็ โ, โหด่ายับเลยคิดไม่ถึงเลยนะว่าจะดานะ่าหนักขนาดนี้อุตสาหมละกามละอะไรสมบัติเคือญาตินะแเจอแค่นี้เองแต่อาตมาบอกแล้วนะบางสิ่งที่เรานึกไม่ถึงมันจะมีฮรอนดูนะศักรยะของใครของคนนั้นบางคนเนี่ยฐานระดับอนาคามีเนี่ยทนคนมาด่านี่ได้ไม่มีปัญหาเลยคนมาด่าคนมาว่าอะไรนี่โอ้ ไม่โกรธไม่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ใครมาทำอะไรให้ไม่ถูกใจในเรื่องของอัตตามนานะตัวเองนิดเดียวเท่านั้นเองอะ่ะโอ้โหขึ้นหน้าดูเลยคราวนี้หน้าดำหน้าแดงเถียงได้เลยแต่บางทีโดนคนเขามาด่ามาว่าเขามาทารุนแรงนี่โอ้ยอมได้เลยไม่คิดจะตอบโต้ไม่คิดที่จะไปรุนแรงอะไรกับเขานะเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ฐานด้วยถ้าฐานคนหยาบหยาบนี่นะ โดนสิ่งหยาบๆบถึงจะถึงจะแบบว่ารุนแรงกันแต่ถ้าถานคนละเอียดขึ้นนี่นะเรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนี่เป็นเสมือนเรื่องใหญ่เป็นเสมือนเรื่องใหญ่ทั้งนี้นจริงๆ่ยมันเป็นเรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเหมือนกับบางทีพวกเราในในทีน่นี้ยบางทีทะเลาะกันเนี่ยเรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆหน้าขำบางทีอาตมาว่าโอ้โหตลกสิ้นดีนะบางเรื่องแค่เลื่อนถาดอาหารโอ้โหแม้เสียงดัง นะ้ดูสิเนี่ยสังเกตมาหลายทีแล้วนะไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยเรื่องทีไรก็เลื่อนท่งทงมานะ้ดันมาเลยนะ้าถาดก็ลากกับพื้นมาอะไรเงี้ยไม่พอใจนะโอ้โหตําหนิว่ากันรุนแรงแค่เรื่องแค่เนี้บางทีเรื่องเล็กๆน้อยแต่นี่แหละอาตมาอยากจะบอกว่าเออมันตามฐานนะคนหยับยาบเขาต้องเรื่องหยับหยาบเขาทะเลาะกันเรื่องหยับหยาบแต่ไอ้เรื่องเล็กๆนี่เขาไม่เอาเลย เพราะว่าเรื่องเล็กๆเขาไม่รู้สึกแต่เรื่องหยาบๆเขารู้สึกนี่คือความต่างกันแต่คนที่มาปฏิบัติธรรละเอียดขึ้นสูงขึ้นแล้วเรื่องหยาบๆเรารู้ว่ามันหยาบเราเลยลดละเราไม่เอานี่มันหยาบเกินไปนะ่าจะไปชกต่อยจะไปตีลันฟันแทงจะไปฆ่ากันโอ้โย้ําหยาบเกินไปอย่างนั้นเราไม่เอาแต่เห็นไหมเรามาทะเลาะกันเรื่องละเอียดขึ้นนะเนี่ยแหละ เรื่องกินเรื่องอะไรอะเรื่องตากผ้าเออเรื่องอะไรอีกไหนลองยกตัวอย่างบ้างสิเอาจากเรื่องจริงเนี่ยแหละเรื่องหันผักไม่เท่ากันเออเนี่แหละเรื่องใหญ่ถ้าเรื่องใหญ่ของคนที่ละเอียดขึ้นอ้าวแล้วมันเป็นจริงมันเป็นจริงคือไอ้เรื่องหยาบๆแล้วไม่ไปทะเลาะแล้วนะเพราะมันก็ต้องเหลือเรื่องละเอียดขึ้นนะ มันเป็นตามความเป็นจริงจริ ง, ร ง, รงเพราะโอ้โหบางทีเนี่ยหัวฟัดหัวเวียงเลยนะชั้นสองกี่ครั้งแล้วไม่จําไว้ให้หั่นผักให้มันเล็กน้องน้อยทําไมอาหารมาท่อนแค่นี้ <c oughs> โออโหมันเป็นจริงๆด้วยแต่ก็ให้รู้อาจมาถึงบอกอย่าไปเข้าใจผิดนะว่ามันเป็นตามฐานที่ว่าเออเราละเอียดขึ้นเพราะบางทีไอ้เรื่องเล็กเนี่ยมันก็เลยเอาเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราฝึกละเอียดก็นั้นดีกันนั้นก็ต้องรู้ว่าจริงๆมันเรื่องเล็ก เพรใครเนี่ยถ้ายังไม่รู้สัจจะนี้ให้ได้ว่าจริงๆมันเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะถ้าใครรู้สัจจะได้เนี่ยคนนั้นจะปรงจะวางได้ถึงแม้จะยังไม่ชอบใจอยู่ก็ปรงได้วางได้ว่าโอ้โหนี่มันแค่เรื่องเล็กบางทีโดนติโดนว่าเนี่ยคนอื่นเขามาติมาว่าเนี่ยนะเขาก็มาติว่าไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละเพราะจะวางได้จะปรงได้เพราะรู้ว่าเออมันก็เรื่องเล็กอะ่ะ แล้วถ้าเราไม่มีอัตตามานะมากเนี่ยเราก็มันไปถือสาเขามากใช่ไหมล่ะแต่ให้มองมุมกลับว่าไอ้ที่เรายอมไม่ได้เลยเนี่ยใครมาติมาว่านี่หน่อยไม่ได้แสดงว่าเราอัตตามานะใหญ่มากมันถึงได้ยอมไม่ได้เลยใครเข้ามาแต่นี่แต่หน่อยไม่ได้เลยนะเป็น untouchable นะหมายถึงว่าโอ้โหแตะไม่ได้เป็นคนต้องห้ามไปเลย untouchable นี่คือพวกไหน นะในวันณะสี่เนี่ยพวกไหนพวกพวกของอินเดียพวกไหนเขาเรียกอันทัชเบิร์แมนพวกชันทานเขาไม่ไปแตะหรอกที่เขาไม่ไปแต่นี่เพราะอะไรเขาไม่อยากจะแต่เขารังเกียจนะนั่นแหละอย่าให้ไปเป็นคนอย่างนั้นพฮอะพวกที่อัตาาาอตามาณสูงอัตตามาณจัดเนี่ยโอ้โหคนมติคนมาว่าอะไรไม่ได้เลยระวัง จะเป็นคนต้องห้ามคือเขาไม่อยากจะไปแตะเลยคนนี้แย่ yeah, เลยคว น, นี้นะเพราะหวังว่าเราอย่าเป็นอย่างนั้นคือถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อไหร่แสดงว่าคนนี้อัตตามำนะสูงมากจัดมากจนกระทั่งคนเขาไม่กล้าไปแตะนะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะอยู่วัดได้นะอัตตามานะมากเนี่ยอยู่วัดไม่ได้นานหรอกเพราะว่าความเป็นจริงก็คือว่าคนที่เขาไม่กล้าคนที่เขาไม่สามารถที่จะไป แนะนำได้เนี่ยเขาไม่ไม่ไปแตกแต่คนที่เขาสูงกว่าเราจริงแล้วเขามีหน้าที่คอยปกครองคอยดูแลคอยอให้คำสอนหรือว่าอะไรเขาก็ต้องสอนเขาก็ต้องแตะจนได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ลดอัตามาณะลงก็อยู่กับหมู่พวกไม่ได้นะเอาลต้ตอนนี้พ่อฤาษีนี่ก็ว่าใหญ่เลยนะว่าพระประเจกับพุทธเจ้าครั้งนั้นพระประเจกับพุทธเจ้ากล่าวว่า ท่านผู้จเจริญเหตุไรท่านจึงมีแต่มานะข้าพเจา้าประกาศเลยนะข้าพเจ้าบรรลุปัจเจกพุทธญาณแล้วในกลับนี้ท่านก็จะได้เป็นพระสัพพันธ์อยู่พระพุทธเจ้าเพราะท่านก็เป็นหน่อเนื้อพระพุทธเจ้าเหมือนกันน่าจะเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วเพียงรอเวลาข้างหน้าผ่านไปอีกไม่นานนักหรอกก็จะเป็นพระพุทธเจ้า มีชื่อว่าสิทธัตถะนะฮว่าแบบว่าพยากรณ์ให้ฟังเลยบอกว่าเนี่ยฉันนี่นะเป็นพระปเจกับพระเจ้าเนะ่ท่านเนี่ยแหละหมายถึงฤาษีเนี่ยนะฤาษีบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยแหละก็จะได้เป็นพระเจ้านะในอนาคตเนี่ยชื่อสิทธัตถ์เนี่ยนะอีกหน่อยจะได้เป็นในอนาคตนะหมายถึงว่าชื่อสิทธัตถานี่ในอนาคตถ้าได้เป็นแล้วก็คือ เพื่อเจ้าองค์โคตมะนั่นเองนะก็บอกเลยบอกให้ฟังแล้วทรงบอกนามและโคตและอัคระสาวกเป็นต้นให้คือไม่ใช่บอกแค่ว่าเนี่ยจะเป็นผู้ธาเจ้านะเป็นพระโคดมเท่านั้นนะมีพระอัคระสาวกชื่ออะไรบ้างอะไรเนี่ยบอกให้ฟังหมดเลยแต่ฟังดูนะแล้วประทานโอวาสอีกว่า ท่านยังจะมัวเอาแต่มานะให้เป็นคนหยาบคายเพื่ออะไรเล่านี่ไม่สมควรแก่ท่านเลยโอ้โหพอบอกอะไรในนาะโคใท้ฟังเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ลดลงเถอะมานะอย่าไปมีให้มันจัดจ้านนักเลยพระฤาษีแม้เมื่อฟังคำกล่าวอย่างนี้แล้วก็ยังคงไม่ไม่เคารพไม่กราบไหว้อยู่นั่นเอง แมปรากฏว่าเห็นไหมนี่ระดับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะแต่เป็นพระปบาเจกับพระุทธเจ้านะมาสอนพระฤาษีปราบมานะของพระฤาษีแต่ปรากฏว่าเป็นไงเนี่ยนี่ปราบไม่สาเร็จนะนี่ยังปราบไม่สาเร็จนะโอไม่ยอมกราบไหว้ไม่ยอมเคารพเลยวันนี้จะให้เห็นมาเรื่องของมานะนี่ปราบยากที่สุดนะั่นในกิเลสราคะโทสะ นะโมหะเนี่ยตัวตัวหลงเนี่ยตัวมานะเนี่ยปราบยากที่สุดพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวว่าท่านไม่รู้ถึงความใหญ่หลวงแห่งชาติและความใหญ่โตแห่งคุณของเรานะก็เลยว่าเลยบอกเนี่ยโอยไอ้นี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยว่าข้าเป็นใครขนาดบอกไปแล้ว ย, ยังไม่ยอมรับยังไม่ยอมเชื่อย แล้บอกเนี่ยไม่รู้คุณเลยอุตสามาบอกให้แล้วังเนี่ยแล้วจึงเหาะขึ้นไปในอากาศโปรยฝุ่นที่เท้าของตนลงไปบนศีรษะของพหลฤษีโอ้คราวนี้เป็นยังไงสอนด้วยการพูดไม่รู้เรื่องใช่หไหมมันก็เลยเหาะขึ้นไปเลยเหาะนะให้เรารู้จักธรรมาทิฐานนะเหาะขึ้นไปเลยแล้วก็เอาฝุ่นที่เท้าเนี่ยพูดง่ายๆว่าโปรยลงที่หัวของพหลฤษี ลักษณะนี้หมายความว่าไงปราบมานะด้วยวิธีอะไรอย่างแล้วตอนนี้ตอนแรกยังพูดกันแตบบ่พูดแล้วไม่รู้เรื่องนะคราวนี้เลยแสดงฤทธิ์เลยคมเลยคราวนี้คมเลยใช้ฤทธิ์ใช้อะไรนี่คมเลยนะไม่ไม่มาแบบพูดกันดีๆแล้วเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้เป็นแบบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่หมายถึงหมายถึงว่า เป็นสายพระประเจกเนี่ยนะหมายถึงสายที่เรียกว่าสอนคนโดยที่อะไรละ่ะไม่ได้มีความขวนขวายมากหรือว่าไม่ได้มีตัวที่จะอะไรอ่ะมีปฏิภาณมีปัญญาอะไรเนี่ยมากเขาถึงบางทีบางบางที่บางแห่งเขาถึงบอกว่าพระประเจกกับผู้เจ้าคือผู้เจ้าที่ไม่สอนคนใช <c oughs> ่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่ท่านสอนคนได้แต่บางทีเนี่ย มันสอนคนที่มันลำบากอ่ะคนยุคนั้นคนกาล้านั้นเนี่ยมันสอนลำบากหรือว่าเป็นพวกอเวนยิยสัตว์ท่านก็เลยไม่สอนนะะ่างหแต่จริงท่านสอนคนได้แต่ท่านก็ไม่ได้มีความขวนขวายมากขนาดว่าโอ้โหนะต้องพยายามต้องเกี่ยวเข็นต้องอะไรต่ออะไรท่านมาอย่างนั้นอะ่ะสอนลำบากนะไม่สอนละพอสอนแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยนะ น, นี่เป็นสายปักเจมันก็เลยใช้วิธีนี้สอน นะก็เลยเอาฝุ่นเนี่ยโปรยลงมาที่ศรีรษะพระฤษีแล้วก็กลับไปสู่ป่าหิ ม, มาพานตามเดิมมาไม่สอนมากกว่านั้นแล้วผู้ไายฟังเสร็จแล้วก็โปรยฝุ่นใส่หัวเสร็จไปเลยนะแค่นี้รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้มเมื่อพระระเจกับพุทธเจ้าไปแล้วพระฤษีถึงความสลดใจคิดว่าเพราะถืออัตตามานะ เราจึงไม่ได้กราบเท้าทั้งคู่ของพระปเจกับพุทธเจ้าเห็นปานชนี้ม่หนำซ้ําไม่ถามเสียด้วยว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไร <c oughs> คือคือคือตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกตัวนะเราเห็นโอ้โหแสดงอะไรต่ออะไรขนาดนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมาโกหกใช่ไหมมันก็เลยเชื่อตอหลังก็เลยเชื่อแต่เชื่อนี้พระเจ้าก็ไปแล้ว เราจะเป็นผู้เจ้าเมื่ อ, อไรขึ้นชื่อว่ามานะนี้จะกระทาอะไรได้ที่แท้ศีลและจารณะเท่านั้นเป็นใหญ่ในโลกนะได้สํานึกขึ้นมาบอกว่ามานะเนี่ยขี่กับรถโทนนะไม่ได้เรื่องไม่ใช่ความแต่ที่จริงแล้วเนี่ยผู้ที่มีศีลต่าผู้ที่มีจารณะเนี่ยมีข้อปฏิบัติอันดีงามต่างหานะที่ควรที่จะแหมภูมิใจควรที่จะดีใจไอคนที่ไปมีมานะแล้วภูมิใจดีใจว่าเออข้าชนะหรือว่าข้าเก่ง มันไม่ได้เรื่องอะไรงั้นก็สำนึกขึ้นมาก็แต่ว่ามานะของเรานี้แหละเจริญอยู่จะพาเราไปหานากได้ได้คิดแล้วนะบอกสตารใบดอัตตามานาะเจริญอยู่เนี่ยโอ้โหเรานี่นารกแน่แน่เลยอย่างน้อยๆก็เนี่ยก็กลัวแล้วเห็นไหมว่าโอ้โหดูสิไม่ขอรบไม่กราบไหว้ผูเเจ้าเลยยังไปด่าไปว่าด้วย จะพาไปเราเป็นรกได้ฉะนั้นหากเรายังข่มมานะนี้ไม่ได้แล้วเราจะไม่ออกไปหาผลไม้กินเลยแล้วก็เข้าสู่บราารณาศาลาสมาทานอุโบสถเพื่อข่มอัตตามานะเสียได้คิดเหมือนกันก็คิดเหมือนพวกสัตว์สีอย่างนะเหมือนกันว่าโอ้ถ้าข่มมานะไม่ได้ไม่กินวันนี้เลิกกินกันจึงเจริญกระสินนะ พรลฤษีก็เลยจเจริญกสินจนกระทั่งยังอภิญญาและสมาบัตแปดให้บังเกิดขึ้นพอละมานาได้เนี่ยนั่นแหละญาณบรรยามันก็เกิดจึงออกไปนั่งที่แผ่นกระดานหินท้ายที่จงกลมครั้งนั้นสัตว์ทั้งสี่จึงเข้าไปหาพระฤษีไหว้แล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพรลฤษีจึงถามนกพิ ร, ราบว่าในวันอื่นเจ้าไม่ได้มา เวลานี้นะคือเจ้าปกติเนี่ยเวลานี้ไม่เห็นจะมากันนี่ฉะนั้นวันนี้เจ้าคงไม่ได้หาอาหารกับมังเจ้าเป็นผู้รักษาอุโบสถหรือฉไหนเล่านกพิราบรับคำว่าถูกแล้วพระคุณเจ้าพระฤาษีจึงตัดพระฤาษีจึงถามอีกว่าดูก่อนนกพิราบเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าจึงมีความขนขวายน้อยเล่าทําไมไม่ต้องการอาหาร อดกั้นความหิวกระหายแล้วมารักษาอุโบสถนกพิราบจึงตอบว่าแต่ก่อนนี้ข้าพเจ้าบินไปกับนางนกพิราบเราทั้งสองชื่นชมยินดีกันอยู่ในป่าทัานใดนั้นเยียวได้โฉบนางนกพิราบไปเสียข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะพัดพลาดจากนางไปแต่จำต้องพัดพลาดจากนางแล้วก็เพราะความพัดพลาดจากนางนี้เอง ข้าพเจ้าได้รับทุกทางใจใหญ่หลวงเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถ ด, ด้วยคิดว่าความรักอย่าได้กลับมาหาข้าพเจ้าอีกเลยโอ้คราวนี้เข็ดนะเห็นทุกนะเลยไม่อยากให้มีความรักอีกเมื่อนอกพิราบแถลงอุโบสถกรรมของตนแล้วพระฤาษีจึงถามงูบ้างว่าดูก่อนงูผู้ไปไม่ตรงเลื้อยไปด้วยอก มีลิ้นสองลิ้นเจ้ามีเขี้ยวเป็นอาวุธมีพิษร้ายแรงเพราะเหตุไรเจ้าจึงอดกั้นความหิวกระหายมารักษาอุโบสถเล่างูงูกล่าวตอบว่าโคของนายอำเภอกำลังรุ่นเปียวมีหนอกกระเพื่อมมีลักษณะงามมีกำลังมันได้เหยียบข้าพเจ้าข้าพเจ้ากรธจึงได้กัดมันโคก็ถูกทุกขเวทนาครอบงำ ถึงความตายณที่นั้นชนทั้งหลายเสียดายก็พากันร้องห่มร้องไห้ค้าควรอย่างมากมายเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าจึงได้รักษาอุโบสถ ด, ด้วยคิดว่าความโกรธอย่าได้มีในเราอีกเลยพระฤาษีหันไปถามสุนข ก, กิ้งจอกดูก่อนสุนข ก, กิ้งจอกเนื้อของคนที่ตายแล้วมีอยู่ในป่าช้าเป็นอันมากอาหารชนิดนี้เป็นที่พอใจของเจ้าเพราะเหตุไร เจ้าจึงอดกลั้นความขิวกระหายมารักษาอุโบสถสุนักจิ้งจอกกล่าวว่าข้าพระเจ้าได้เข้าไปสู่ท้องช้างตัวใหญ่ยินดีในซากศพติดใจในเนื้อช้างลมร้อนและแสงแดดอันกล้าได้แผดเผาทวารหนักช้างนั้นให้แห้งข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งผอมทั้งเหลืองไม่มีทางจะออกได้ต่อมามีฝนหาใหญ่ตกลงมา ทวานหนักของช้างนั้นให้เปียกชุ่มข้าพเจ้าจึงออกมาได้ดังดวงจันทร์พ้นจากปากราหูเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถ ด, ด้วยคิดว่าความโรคยาได้มาถึงเราอีกเลยพรอฤาษีอ่าก็เลยถามหมีบ้างว่าดูก่อนหมีแต่ก่อนนี้เจ้าขยี้กินตัวปลวกในจอมปลวกเพราะเหตุไร เจ้าจึงอดกลั้นความหิวกระหายมารักษาอุโบสถเล่ามีกล่าวว่าข้าพเจ้าดูมินถินที่เคยอยู่ของตนได้ไปยังปัจจันตะคามแคว้นมนลลัตเพราะความเป็นผู้อยากมากเกินไปครั้งนั้นชนทั้งหลายพากันออกจากบ้านรุมตีข้าพเจ้าโดยคันธนูข้าพเจ้าศีรษะแตกเลือดอาบได้หนีกลับมาอยู่ถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ของตน เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงรักษาอุโบสถด้วยคิดว่าความอยากมากเกินไปอย่าได้ก่อเกิดกับกับเราอีกเลยครันสัตว์ทั้งสี่นั้นพละนาอุโบสถกรรมของตนอย่างนี้แล้วก็ชวนกันลุกขึ้นไายพระฤาษีแล้วถามบ้างว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญข้อความอันใดท่านก็ได้ถามพวกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหมดก็ได้ตอบข้อความอันนั้นตามที่ได้เห็นตามที่ได้รู้ได้เห็นมาแล้วข้าแต่ท่านผู้เป็นวงแห่งพรหมผู้เจริญพวกข้าพเจ้าขอถามท่านบ้างละวันอื่นๆพระคุณเจ้าเคยไปหาผลไม้ในป่ากินแต่วันนี้เหตุไรพระคุณเจ้าจึงไม่ไปแต่กลับกระทําอุโบสถกรรมอยู่ฝ่ายพระฤาษีก็แถลงแก่สัตว์ทั้งสี่ว่า พระปจเจกับพุทธเจ้ารูปหนึ่งผู้ไม่แปดเปื้อนโดยกิเลสนั่งอยู่ในอาสมของเราคู่หนึ่งท่านได้บอกให้ทราบถึงถิ่นที่ไปที่มานามโคตรและจารณะทุกอย่างแก่เราถึงอย่างนั้นเราผู้มีมานะก็ไม่ได้กราบไหว้เท้าทั้งสองของท่านและเราก็ไม่ได้ถามถึงนามและตระกูลของท่านเลยเพราะเหตุนั้นเราจึงรักษาอุโบสถ ด, ด้วยคิดว่า อัตตามาณของเราอย่าได้บังเกิดกับเราอีกเลยพระฤาษีแสดงถึงเหตุของการกระทําอุโบสถของตนอย่างนี้แล้วก็ตักเตือนสัตว์เหล่านั้นอีกสักครู่ก็กลับเข้าสู่บนนาารรณาศาลาส่วนสัตว์เหล่านั้นต่างก็พากันกลับไปที่อยู่ของตนพระฤาษีมีฌานไม่เสื่อมได้มีพรหมโรคเป็นที่ไปในเบื้องหน้าส่วนสัตว์พวกนั้นก็ตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน ได้ไปสวรรค์ตามๆกันพระศาสดาทรงสแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วตรัสย้ำว่าอุบาสกทั้งหลายอันอุโบสถนี้เป็นเชื้อแถวแห่งหมู่บัณฑิตแต่เก่ากนด้วยประการชนนี้อุโบสถนั้นเป็นสิ่งควรบําเพ็ญยิ่งแล้วทรงประกาศว่านกพิราบในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอนุรุทธะในบัดนี้ หมีได้มาเป็นพระกัสสปะหมาจิ้งจอกได้มาเป็นพระโมคคัลานะงูได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนดาบดได้มาเป็นเราตถาคตนะนี่กระจบปันจุโปสถิกชาดกซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอื่นใดเลยเน้นเรื่องการถืออุโบสถนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เน้นพวกเราให้เห็นแล้วว่าอุโบสถที่สําคัญนะโดยทั่วไปก็คือศีลแปด เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับกฎเกณฑ์ของเราเนี่ยใครมาอยู่วัดนี่ให้ถือศี8ล8ปดทีนี้จะอ่านศีล8ดให้ฟังหน่อยนะจะอ่านสั้นๆ น, น ะ, นนะผู้เจ้าท่านมีตัดไว้คือจะให้ฟังสำนวนของผู้เจ้าท่านท่านตัดไว้อย่างนี้การรักษาศีลแปดเป็นอริยะอุโบสถฟังดูนะการรักษาศีลแปดนี้ท่านบอกว่าเป็นอริยะอุโบสถ อันบุคคลรักษาศีลอย่างนี้แล้วย่อมมีผลบุญมากมีผลประโยชน์มากมีความรุ่งเรืองมากมีความแผ่ภัยสารมากศีลแปคือหนึ่งละการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการฆ่าสัตว์วางโทษภัยวางของมีคมแล้วมีความละอายต่อการทำบาปมีความเอ็นดูมีความการุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ตลอดคืนหนึ่งกับวันหนึ่งในวันนี้แม้ด้วยการกระทำอย่างนี้เราก็ชื่อว่าได้ทำตามพระอระหันต์ฟันดุดาศีลข้อที่หนึ่งจริงๆเนี่ยผู้เจา้จาคำรัดถึงเนี่ยไม่เพียงแต่ไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์เท่านั้นนะท่านยังพูดถึงว่าต้องมีความละอายต่อบาปด้วยแล้วก็ต้องมีความเอ็นดูด้วย ไม่ใช่แค่ว่าไม่ไปเบียดเบียนมันเท่านั้นยังต้องมีความเอ็นดูต้องมีความเมตตาต้องมีความช่วยเหลืออีกด้วยนี่คือศีลข้อที่หนึ่งที่วิชาธันตัดเอาศีลข้อที่สองละการรักทรัพย์เว้นขาดจากการรักทรัพย์รับและต้องการแตกของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นคนขโมยประพฤติตนเป็นผู้สะอาดอยู่ฟังดูได้เห็นไหมไม่เพียงแต่ไม่ขโมยของคนอื่นเขาเท่านั้นยังบอกว่าจะต้องเป็น คนที่สะอาดด้วยมันคนที่สะอาดนี่ไม่ใช่แค่ว่าแหมแค่ในอะไรมือไม่ไปหยิบมือไม่ไปขโมยคนที่จะสะอาดได้เนี่ยมันมันต้องถึงใจเลยวาจาก็ต้องไม่ไปขโมยใจมันก็ต้องไม่ไปขโมยถึงจะเรียกว่าคนสะอาดนะมันจะต้องสะอาดทั้งนอกทั้งในนะข้อสามละการกระทา อันเป็นค่าสึกแก่พรมจันทร์ประพฤติพรมจันทร์ประพฤืชทางไกลจากเมถุนเว้นขาดเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านคำว่าละเนี่ยละนะละละอย่างนั้นละอย่างนี้เนี่ยท่านจะบอกนะเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยท่านจะบอกว่าเว้นขาดละนี่มันยังชั่วครั้งชั่วคราวชั่ว อ, อ, อะไรอะชั่วระยะ ช่วเวลาอะไรอย่างนี้แต่เว้นขาดคําว่าเว้นขาดนี่คือตลอดเลยเลิกตลอดไปหยุดตลอดไปเลยนะมันต่างกันมันท่านจะใช้สำนวนนี้ยบ่อยอาดูสินข้อที่สี่ละการพูดโกหกเว้นขาดจากการพูดโกหกพูดแต่คําจริงทรงไว้ซึ่งคําสัตย์พูดเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกอยู่นะ น, นี่คือศินข้อสี่สินข้อห้า 5. ละการเสพของมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเว้นขาดจากขอมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะท่านจะพูดคู่กันเรื่อยว่าละนะ่าละนะละเสร็จพอประท่าต่อไปเนี่ยเว้นขาดนะเพราะบางทีเรายังไม่เก่งเนี่ยมันเว้นขาดเลยมันทําไม่ได้มันได้แค่ละเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าละบ่อยๆเข้าลาบบ่อยๆเข้ามันก็เว้นขาดได้ข้อหก จะกินอาหารมือเดียวเว้นการกินอาหารในเวลามืดค่ํางดการกินอาหารนอกมือ้อนอกเวลานะอันนี้เป็นศีลข้อที่6ศีลข้อที่7เว้นขาจากฟ้อนรําขับร้องการประคมดนตรีดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแกศกุศลทัดทรงประดับและตกแต่งกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทืองผิว อันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวนี่ศินข้อที่เจ็ดข้อที่และการใช้ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่เว้นขาดการใช้ที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สําเร็จการนอนบนที่นอนอันต่ําและเล็กคือเตียงหรือเครื่องปูลาดที่ทําด้วยหญ้านี่เป็นศีลแปดข้อข อ, อ่ะก็รีบอ่านให้ฟังกันนะเพราะว่าจะได้ให้ฟังสำนวนของผู้เจ้าบ้าง เพราะฉะ้นเราพวกเราโดยทั่วไปก็ต้องถือศีลแปดกันอยู่แล้วนั่นก็หวังว่าเราลองไปทบทวนดูนะการถืออุโบสถศีลของเราเนี่ยมันด่างมันพร้อยมันยังไม่ดียังไงบ้างมันบกบค้องอยังไงบ้างให้พยายามที่จะไปถือให้สมบูรณ์ขึ้นนะให้มันบริบูรณ์ขึ้นจนกระทั่งเราเนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาอุโบสถศีลได้อย่างดีอา้าสําหรับวันนี้พอแค่นี้